เมื่อ20ปีที่แล้วผมทำงานเป็นพนักงานขับรถของสานักงานเทศบาลตำบลเล็กๆห่างจากตัวจังหวัดราว10บกว่ากิโลเมตรเทศบาลแห่งนี้มีรถส่วนกลางอยู่สองคันคันนึงเป็นรถบรรทุก6ล้อขนาดกลางที่นิยมใช้กันทั่วไปในยุคนั้นด้านหลังเป็นกระบะที่ต่อด้วยมายกสูงตัวรถด้านหน้าเป็นสีดาพวกที่สานักงานเทศบาลเรียกรถคันนี้ว่าไอ้ดาหน้าแปลกที่คนขับรถคันนั้นก็ชื่อดาเหมือนชื่อรถ อายุราวห้าสิต้นๆผอมเกรงผิวดําเหมือนชื่อผมเรียกแกว่าหน้าดาอีกคันนึงเป็นรถบิ๊กอัพซึ่งมีผมเป็นพนักงานขับรถประจําอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีรถดับเพลิงอีกคันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใช้งานอะไรจอดเตรียมพร้อมไว้ในเวลาที่เกิดไฟไหม้รถคันนี้มีพนักงานดับเพลิงเป็นผู้ดูแลและก็มีสถานที่จอดรถอยู่ต่างหากอีกด้านหนึ่งของเทศบาลไอ้ดาอยู่กับเทศบาล น, นี้มาหลายปีก่อนที่ผมจะเข้ามาทํางาน รถบรรทุกคันนี้เป็นรถสารพัดประโยชน์ของที่นี่พระนอกากงานของเทศบาลแล้วยังมีงานบริการสาธารณะของผู้คนในตำบลเล็กๆแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานแห่เทียนเข้าพรรษางานบวชงานกระถินหรือแม้กระทั่งงานแห่ศพหรือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลในตัวจังหวัดตอนนั้นสถานที่รักษาพยาบาลที่อำเภอยังมีเพียงแค่สถานีอนามัยเล็กๆ คนไข้ที่หนักหนาเกินกว่าสถานีอนามัยจะรับได้จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดเคยมีคนเรียกว่าไอ้ดำโปเตกตึงบางทีก็ไม่รู้ว่าผู้ถูกเรียกหมายความถึงรถหรือว่าคนขับรถแต่ว่านดำจะหวัวเราะชอบใจไปทุกทีแกเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตัวคนเดียวที่ห้องแถวที่เป็นเรือนพักของพวกพนักงานเทศบาลส่วนเมียของน้ดดำนั้นตายไปนานแล้ว ลูกชายคนเดียวของน้าดำก็ไปทํางานอยู่ทางภาคใต้นานๆก็จะมาเยี่ยมพ่อสักครั้งหนึ่งน้าดำเป็นคนไม่ช่างพูดนอกจากเวลาดื่มเหล้าแกเป็นคนดื่มหนักแต่ว่าจะดื่มเฉพาะเวลาเลิกงานเท่านั้นเคยมีคนบอกผมว่าเมื่อก่อนนี้น้าดำเคยเอาไอ้ดำไปชนกําแพงวัดเข้าหัวหนึ่งประหลัดเทศบาลจะไล่ออกแต่ว่าด้วยความสงสารจึงคาดโทษไว้ให้แกรับปากว่าจะไม่ดื่มในเวลาทํางาน นาดำก็รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับท่านประหลัดโดยเคร่งครัดส่วนตอนไม่ทำงานยังคงดื่มเหล้าอยู่อย่างเดิมข้อดีของนาดำก็คือแกเมาและไม่เคยเกะกะระรานใครลุงชื่นนักการบอกผมว่านาดำเนี่ยเคยเป็นนักเลงหัวไม้ตัวฉกาดเคยติดคุกในคดีฆ่าคนตายมาแล้วแต่นายว่าทำเพื่อป้องกันตัวจึงติดอยู่ไม่นานพอแก่เข้าก็วางมือเลิกอาจากวงการนักเลง พออารถเก็บนะดำมัดชวนผมไปนั่งดื่มที่หน้าห้องแถวที่เป็นเรือนพักพนักงานระดับล่างของเทศบาลผมเองก็มีห้องเช่าต่างหากไม่ได้พักอยู่ที่เรือนพักพนักงานเทศบาลเหมือนคนอื่นก็ดื่มกับแกบ้างเป็นบางครั้งพอไม่ให้เสียน้ำใจแล้วก็กลับบ้านวันหนึ่งเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่อำเภอของเรารถโดยสารที่วิ่งระหว่างอำเภอกับตัวจังหวัดชน ก, นกันกับรถบรรทุกตรงสี่แยกทางเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้าตัวอำเภอ คนในรถโดยสารตายกันหลายคนแล้วก็มีคนบาดเจ็บจำนวนมากทางสถานีตำรวจภูทรได้ขอรถทางเทศบาลไปช่วยรับคนเจ็บเพราะว่ารถของสถานีอนามัยซึ่งมีอยู่เพียงคันเดียวไม่เพียงพอตอนนั้นเป็นตอนเช้าผมกับน้า ด, ดำขับรถไปถึงที่เกิดเหตุก็มีชาวบ้านมามุงดูกันอยู่เป็นจำนวนมากทาั้งๆที่ตรงนั้นเป็นที่เปลี่ยวไม่มีบ้านเรือนผู้คนทางตำรวจเอาศพคนตายวางเรียงกันข้างถนน คลุมด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ผมกะว่าอยู่ในราวเจ็ดปดศพชาวบ้านที่มาถึงในตอนแรกเล่าว่าบางศพนี่หัวขาดเป็นที่น่ากลัวสยดสยองเมื่อผมไปถึงคนเจ็บบางคนกำลังนอนครางอยู่ข้างทางส่วนหนึ่งกำลังถูกหามลงมาจากรถลำเลียงขึ้นรถตู้ของสถานีอนามัยซึ่งกลับมารับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเป็นเที่ยวที่สองรถปิกอัพคันที่ผมขับ ต้องช่วยเอาคนเจ็บอีกส่วนหนึ่งที่ไม่หนักหนาไปไว้ที่สถานีอนามัยส่วนไอ้ดำก็ช่วยขนศพที่เรียงกันอยู่ริมถนนไปไว้วัดให้ญาติพี่น้องบาเพ็ญกุศลตามประเพณีเรามารู้ตอนเย็นวันนั้นว่าหนึ่งในจำนวนคนที่ตายเป็นผู้ใหญ่บ้านโคกเชือกไอ้พวกที่เอาไปไว้วัดเนี่ยสมควรตายแล้วณดำโพลงขึ้นในวงเล่าหน้าเรือนพักตอนเย็นวันนั้นมีผมกับลุงชื่นนักการนั่งอยู่ด้วยกัน3ามคน นะ้าน้าพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเขามาได้ยินเข้าเดี๋ยวเขาจะเคืองเอานะผมเตือนสตินะดำแกเวลานะาดำแกเมาแกชอบพูดจาแบบขวาญผ่าซากช่างแม่งปะไรมันวายร้ายทั้งนั้นใครๆเขาก็รู้จริงไหมพี่ชื่นนะ้าดำหันไปทางลุงชื่นก่อนจะหยิบแก้วเหล้าขึ้นกระโดกเข้าปากไหนๆคนมันก็ตายไปแล้วพูดอย่างนั้นเนี่ยมันจะผิดใจกับญาติเขาอ้อมันไม่ไหวพูดไม่ถูก ลุงชื่นช่วยปรามน้าดำอีกคนเราคุยกันอยู่แค่นี้ใครจะได้ยินละ่นะน้าดำไม่ยอมหยุดผมชักสงสัยว่านะ้าดำคงจะรู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเกี่ยวกับพวกที่ตายกำลังจะเอ่ยปากถามแกก็พูดต่อเหมือนกับรู้ใจไอ้พวกโคกเชือกในเสื อ, อร้ายทั้งนั้นนะ้าดำทำเสียงดุจรงิงจังผมเคยรู้มาบ้างว่าที่นั่นมีกิติศัพท์เรื่องนักเลงลักเล็กขโมยน้อย ไปจนถึงการปล้นการรับจ้างรอบยิงคนว่ากันว่าเวลาวัวควายชาวบ้านหายทีไรเป็นไปโโปรโแถวโคกเชือกทุกทีถ้าอย่างนั้นทำไมตำรวจยังปล่อยให้เดินลอยชายล่ะครับผมสงสัยเขาไม่มีหลักฐานแต่ว่าชาวบ้านมันรู้กันนะสิคราวนี้ณชื่นเป็นคนเข้าร่วมผสมโรงด้วยอีกคนผู้ใหญ่วางด้วยล่ะครับผมถามถึงผู้ใหญ่บ้านที่ตายในคราวนี้ด้วย ะ ด, ดำลดเสียงลงนิดนึงไอ้นั่นน่หัวโจกผู้กองแกก็รอเล่นงานอยู่แต่มีเรื่องทีไรมันรอดตัวทุกทีที่กำนันช่วงตายเนี่ยเขาก็รู้กันว่าฝีมือไอ้วางแต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยานเมื่อเดือนก่อนนี้กำนันช่วงโดนเจอยิงตายกลางงานวัดขณะนั่งดูลิเกลุงชื่นสะดุง้งอะไอ้ดำนี่เข้าไข่ปักปรำละระวังไปเข้าหูพี่น้องเขานะะ ด, ดำหัวเราะเหื มันไม่กล้ากับฉันหรอกเสือแก่น่ะมา้าหนุ่มมันไม่กล้ากัดรอกพี่ชื่นผมชอบใจคําคมของณ ด, ดํารู้ว่าณ ด, ดําหมายความอย่างที่พูดตั้งแต่รู้จักกันมาแกไม่ใช่คนคุยโวเหมือนใครอีกหลายคนที่ผมรู้จักหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่เรือนพักพนักงานเทศบาลณ ด, ดาเป็นคนตื่นเช้าตามปกติเวลาผมไปโรงจอดรถจะเห็นณ ด, ดําอยู่กับรถไม่ล้างรถ ก็กำลังตรวจตราความเรียบร้อยของรถบรรทุกคู่ใจก่อนที่จะได้รับมอบหมายภารกิจในแต่ละวันแต่ว่าวันนั้นแกยังไม่ออกมาจนตอนสายลุงชื่นไปเรียกที่ห้องอยู่เป็นเวลานา น, านก็ไม่มีเสียงตอบลุงชื่นต้องไปตามคนงานมาช่วยกันพังประตูเข้าไปปรากฏว่าณดำนอนตายอยู่บนที่นอนหน้าตาบูดเบี้ยวคอหักจนหมุนได้รอบตารวจที่มาชนสูตรศพสงสัยว่าณดาถูกฆ่า ก็เรียกพวกคนงานที่พักอยู่ที่นั่นมาสอบสวนทั้งหมดผลสุดท้ายก็ไม่มีใครต้องสงสัยไม่มีใครอธิบายได้ว่าทําไมในห้องที่ณดํานอนตายไม่มีร่องรอยในการต่อสู้ประตูห้องนั้นยังคงใส่กรอนแน่นหนาในตอนที่ลุงชื่นกับพวกคนงานพังประตูเข้าไปศพของณดําสวดอยู่ที่วัดสาวันผมไปฟังสวดศพทุกวันได้เห็นลูกสะพ้ากับหลานๆของแกเป็นครั้งแรกตอนงานศพณดํา ตั้งแต่ณดำตายผมรู้สึกเหงาเพราะว่าในห้องพักพนักงานข้างโรงเก็บรถเคยมีณดำกับผมสองคนเวลาว่างงานเราก็เป็นเพื่อนคุยกันกินข้าวด้วยกันกระเซาเยาะแย่กันบ้างตามประษาตอนนี้เหลือแต่ผมคนเดียวซึ่งตอนเย็นเลิกงานเวลาเดินผ่านห้องพักของแกก็อดใจหายไม่ได้ห้องนั้นใส่กุญแจผมมองไปที่โต๊ะที่ณดำเคยนั่งกินเหล้าตอนเย็นทีไรก็คิดถึงณดำทุกที สำนัก ง, งานเทศบาลประกาศรับสมัครพนักงานคนขับรถใหม่แทนน้าดำจนตอนนี้เกือบครบ2เดือนก็ยังไม่มีคนมาสมัครพูดกันว่าเดี๋ยวนี้คนขับรถบรรทุกไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้างราชการเพราะเขาว่าเงินน้อยสู้ไปขับให้พวกเท่าแก่ตามโรงศีหรือร้านขายของไม่ได้ระหว่างที่กําลังหาพนักงานขับรถยนต์ใหม่ผมก็เลยต้องขับรถทั้งสองคันเวลาที่มีงานทางเทศบาลจะใช้ไอ้ดำผมก็ต้องไปขับคันนั้น ไอ้ดำเป็นรถใหญ่พวงมาลัยหนักมากขับทีแรกๆยังนึกสงสัยว่าหน้าดำแกตัวเล็กๆผอมเกรงแบบนั้นแกขับไอ้ดำอยู่ได้ยังไงตั้งนานวันหนึ่งตอนบ่ายผมว่างงานกำลังหยิบอยู่ที่ห้องพักคนขับรถลุงชื่นเดินมาปลุกพอผมลุกขึ้นจากเก้าอี้ยาวที่กำลังนอนหลับอยู่แกก็กระซิบกับผมพอได้ยินกันสองคนชิบหายแล้วหรไว้แกพูดเสียงตื่นอะไรล่ะลุงไอ้ดำไง ไอด้ดำลุงชื่นพูดเบาๆแล้วก็หยุดไปผมหันไปมองที่โรงรถก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติไอด้ดำจอดสงบนิ่งอยู่ตรงที่ที่ผมจอดไว้ลุงชื่นสะกิดไหลผมฉันพูดถึงไอด้ดำที่มันตายลุงชื่นเหลียวซ้ายเหลียวขวาเหมือนกับกลัวใครมาแอบฟังก็เมื่อคือนเนี่ยขากลับจากเล่นไพ่ที่บ้านในช่างข้ากาลังจะเข้าบ้านขามองเห็นไอด้ดำ ม, มันนั่งอยู่หน้าบ้านมันฮะ ลุงตาฝาหรือเปล่าลุงชื่นผมสะดุง้งเรือนแถวที่พักของพนักงานมีสองแถวหันหลังชนกันณนะดําอยู่ห้องแรกด้านนอกห้องที่ลุงชื่นอยู่นั้นจะเยื้องๆกันสองสามห้องแต่ว่าเป็นเรือนแถวด้านในขั้นกลางด้วยทางเดินเล็กๆอาจจะเป็นคนอื่นไปนั่งเล่นหน้าบ้านแกก็ได้ผมว่าไอ้ดาแน่นอนตรงนั้นนี่ไฟสว่างโร่มันนั่งหันหลังให้ฉันลุงชื่นยืนยันเสียงหนักแน่น ลุงชื่นเล่าต่อว่าตอนที่เห็นน้าดำลุงชื่นกำลังจะเข้าบ้านแกตกตะลึงยืนมองน้าดำอยู่ครู่หนึ่งเห็นน้าดำลุกเดินไปทางโรงจอดรถผมนึกในใจว่าขอให้ลุงชื่นตาฝาดเห็นคนอื่นเป็นน้าดำด้วยเถอะเพราะตั้งแต่น้าดำตายผมก็ต้องอยู่ที่โรงจอดรถนั่นคนเดียวเรื่องผีๆสางๆแม้ผมจะไม่เคยเห็นก็อดหวัดหวดไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครเห็นนดำอย่างที่ลุงชื่นเห็น ผมเองเวลาอยู่คนเดียวในห้องพักข้างโรงรถทีไรก็ชักเสียวเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่กี่วันก็ชักจะลืมเรื่องนี้ไปวันหนึ่งผมได้รับคำสั่งให้ขนเต็นท์สนามขนาดใหญ่ของเทศบาลกับเก้าอี้ไปอีกประมาณ50ตัวไปช่วยงานที่วัดซึ่งอยู่ในอีกอำเภอหนึ่งหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดนั้นจะจัดงานฉลองโบสถ์หลังใหม่จึงมาบอกบุญขอยืมเต็นท์กับเก้าอี้ไปใช้ในงาน ท่านประหลัดเทศบาลก็สั่งการให้ขนไปส่งที่วัดซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอของเราเกือบ40กิโลเมตรตอนนั้นถนนจากอำเภอที่จะไปถึงที่นั่นยังเป็นถนนลูกรังสีแดงช่วงนั้นเป็นหน้าฝนซึ่งเต็มไปด้วยหลุมกับบ่อใช้เวลาเดินทางราวชั่วโมงหนึ่งวันนั้นผมไปถึงวัดในตอนบ่ายพวกชาวบ้านมาช่วยกันขนของลงจากรถ ปรากฏว่าพวกชาวบ้านที่วัดไม่มีใครเคยตั้งเต็น์ขนาดใหญ่แบบนั้นผมจึงต้องช่วยเขาตั้งเต็น์อยู่จนเย็นจากนั้นมรทายกวัดกับชาวบ้านก็จัดสุราอาหารมาเลี้ยงดูพวกช่วยงานกันตามประเพณีผมขัดไม่ได้ก็อยู่ฉลองศรัทธา จ, จนประมาณสองทุ่งกว่าจึงขับรถกลับมาตามทางเดิมทางเส้นนั้นพอตอนค่าจะไม่ค่อยมีรถยนต์วิ่งกันมากนะักสองข้างทางเป็นทุ่งนาสลับด้วยป่าละเมาะ กับหมู่บ้านข้างทางเพียงสองสาแห่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายมองเห็นทุ่งนาข้างทางได้ไกลๆเห็นจะเป็นเพระาะดื่มเบียร์ที่วัดเข้าไปมากพอดูผมจึงรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําตั้งแต่ออกจากวัดมาไม่นานพอรถจวนจะถึงทางแยกเข้าอําเภอก็รู้สึกว่ากลั้นต่อไปไม่ไหวผมจอดรถหลบเข้าข้างทางแล้วก็ลงจากรถเดินหลบเข้าไปใกล้กับป่าละเมาะริมทางตรงนั้นเป็นบริเวณที่มีต้นยางใหญ่กับต้นไม้อื่นๆอยู่คลุม เลยจัดป่าและม้อออกไปก็จะเป็นทุ่งนาโลง่งไม่มีบ้านคนระยะนั้นเป็นช่วงปลายปีชาวบ้านเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วผมมองผ่านต้นไม้ใหญ่เห็นทุ่งนาโล่งสุดสายตาท่ามกลางแสงจันทร์เมื่อเสร็จธุระส่วนตัวผมหันหลังกลับกำลังจะเดินไปขึ้นรถพอมองไปที่รถก็ต้องตกใจขาที่กำลังก้าวเดินหยุดชะงักอยู่กับที่บนส่วนกระดะของรถบรรทุกที่ว่างเปล่าเมื่อตอนผมขับรถออกมาจากวัด แต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่บนนั้นเป็นกลุ่มนั่งบ้างยืนบ้างส่วนหนึ่งนั่งห้อยขาลงมาจากกระบาข้างรถมองลงมาทางผมทุกคนผ้าขาดรุ่งริ่งบางคนแขนขาขาดหน้าตายับเยินจนดูแทบไม่ออกว่าเป็นใครเสื้อผ้ารุ่งริ่งเปือะเปื้อนหนึ่งในสองที่ยืนอยู่ด้านท้ายรถกระบาไม่มีหัวยังมีอีกร่างหนึ่งนั่งอยู่ตรงที่คนขับด้านหน้าผมเห็นไม่ถนัดเพราะว่าอยู่คนละด้านกับตรงที่ผมยืน ผมตาไม่ฝาดแน่คืนนั้นคืนเดือนงายผมอยู่ห่างจากรถไม่ถึงสิบเมตรเห็นถนัดตาผมตัวชาไปทั้งตัวหนาวสาั้นขาสองข้างหมดแรงเอาดือด้อๆอยากจะร้องตะโกนแต่ก็อ้าปากไม่ขึ้นแล้วสองสามร่างที่นั่งห้อยขาอยู่ก็กระโดดลงมาที่พื้นเดินมาทางผมทันใดนั้นร่างที่นั่งอยู่ตรงที่คนขับด้านหน้าก็กระโดดแผ่วลงมาบ้าง ผมรู้สึกเย็นเยือกขนลุกเกลียวร่างที่กระโดดลงมาจากที่นั่งคนขับเดินอ้อมมาหน้ารถมารวมกับพวกนั้นนั่นนะดำนะดำชัดๆผมจำไม่ผิดแน่ตัวเล็กๆผอมเกรงใส่เสื้อซาฟารีสีน้ำเงินแกชอบใส่เป็นประจำเวลาทำงานด้วยกันหวีผมเรียบแปล่อย่างที่ผมเคยเห็นนะดำพรวดออกมาขวางหน้าพวกนั้นสองสาร่างที่ไม่สมประกอบถอยกรูดเดินย้อนกลับปีนขึ้นไปบนรถ แล้วถูกร่างบนรถก็จางหายไปต่อหน้าต่อตาแต่นณ ด, ดํายังคงยืนอยู่ที่เดิมห่างจากผมไม่กี่เมตรท่ามกลางแสงจันทสว่างแกหันมายิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่ผมจำได้แม่นเพราะเห็นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนณ ด, ดําก็จางหายไปอีกคนหนึ่งเหลือแต่รถบรรทุกจอดสงบนิ่งอยู่กับความเงียบสงัดราวกับสิ่งที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นั้นเป็นเพียงแค่ความฝันผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัว รวบรวมพละกำลังออกวิ่งกลับมาตามถนนเชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่ผมวิ่งเร็วที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตพอมาถึงห้องพักดูนาฬิกาจึงรู้ว่าตอนนั้นเกือบห้าทุ่มรีบอาบน้ําเข้านอนใจสั่นสะท้านนอนลืมตานึกเห็นแต่พวกไอ้หัวขาดบนรถนั่นกับรอยยิ้มของหน้าดำทุกครั้งจนเกือบสว่างเช้านั้นผมไปราย ง, งานเรื่องที่เกิดขึ้นให้หนายช่างเทศบาลกับสมุฟังไม่มีใครเชื่อผม ซ้ำยังบอกกับผมว่าผมดื่มเบียร์มากจนเมามายสั่งให้ผมกลับไปเอารถกลับมาทั้งยังคาดโทษเรื่องดื่มสุราผมชวนพวกคนงานเทศบาลอีกสองสาคนไปด้วยกันขับเอ้ดำจากที่ที่จอดทิ้งไว้เมื่อคืนกลับมาจอดในโรงเก็บรถระหว่างทางที่ขับกลับมาขนาดไปกันหลายคนและเป็นกลางวันแสกแสกแบบนั้นผมยังไม่ค่อยกล้าจะมองกระจกหลังวันรุ่งขึ้น ผมตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานขับรถพวกข้าราชการหลายคนพยายามทัดทานท่านประหลัดเทศบาลบอกว่าถ้าผมไม่อยากขับรถต่อก็ให้ไปเป็นลูกจ้างทำหน้าที่อื่นก็ได้ท่านเห็นว่าอยู่ด้วยกันมานานอยากให้ผมอยู่ต่อผมได้แต่ขอบคุณในความเมตตาบอกท่านว่าอยากจะไปลองหางานทำที่กรุงเทพกับเขาดูบ้างผมไปลาลุงชื่นนะักการที่ผมรักมีลุงชื่นคนเดียว ที่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงก่อนจากกันแกยังเอ่ยปากให้ผมยืมเงินผมบอกลุงชื่นว่าเงินทองผมยังพอมีสะสมไว้บ้างแม้จะไม่มากแต่คงพอใช้ในระหว่างหางานใหม่ผมตัวคนเดียวคงไม่เดือดร้อนมากนักผมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่นั้นเริ่มแรกไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนที่ฝั่งทนไม่นานก็ได้ทางานที่โรงงานถุงพลาสติกในหน้าที่พนักงานขับรถส่งของไปต่างจังหวัด ทำอยู่สักปีกว่าๆผมก็มาขับแท็กซี่จนมีผู้โดยสารคนหนึ่งมาชักชวนให้ไปทำงานกับเขาเดี๋ยวนี้ผมทำงานอยู่กับบริษัทของผู้โดยสารคนนั้นซึ่งเป็นบริษัทนำข้ายาจากเมืองนอกผมเป็นหัวหน้าพนักงานในแผนกส่งของตามร้านยาทั่วกรุงเทพเมื่อไม่นานมานี้มีคนส่งข่าวว่าลุงชื่นตายอายุเกือบ80ผมติดงานด่วนเลยไม่ได้ไปเผาศพลุงชื่น แต่ว่าปัจจุบันนี้ถนนหนทางจากตัวจังหวัดผ่านอำเภอที่ผมเคยอยู่เป็นถนนสี่เลนทันสมัยรถยนต์ไม่ต้องขับสวนกันเหมือนแต่ก่อนริมทางที่เคยเป็นทุ่งนาก็กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเวลาผมมีธุระต้องไปต่างจังหวัดขับรถผ่านทางแยกเข้าอำเภอแห่งนี้ทีไรคิดถึงหน่าดํากับลุงชื่นขึ้นมาทุกที